วันนี้จะพูดเรื่องสังขารให้ฟังที่เราว่าไปนั่นนะสัพเพสังขา ร, า อ, า, นะร า, าอนิจจานสัพเพธรรมานัตตาติแต่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจานิจจังมันไม่เที่ยง ัพเพธมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนคนก็มาหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยมสังขารก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละ มาปรุงแต่งกันขึ้นสังขารัคือสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรมาปรุงแต่งกันขึ้นนับแต่ของสองอย่างของสองอย่างขึ้นไปมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารอย่างน้ำเอาเอาสีไปปรุงแต่งไปผสมเข้า เขาเรียกว่านา้ำสีเขาเอาน้ำตาลเอาความหวานไปผสมเขาก็เรียกชื่อใหม่ปรุงแต่งกาาเ็เรียกว่าน้ำเชื่อมเรียกว่าน้ำหวานอืมอะไรก็ตามมันผสมปรุงแต่งกันขึ้นจึงเรียกว่า สัพเพสังขาราสัพเพแปลว่าทั้งหลายทั้งปวงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยมมันปุงแต่งกันขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเฉลินงอกงามในทํากลางเสื่อมสลายมาลายสูญในที่สุดให้เราท่านรู้จักว่าไม่เที่ยม อะไรก็ตามเป็นของปรุงแต่งกันหมดนะอย่างต้นเสาอย่างนี้กันที่เรานั่งมองเห็นอยู่เนี่ยเขาก็เอาดินเอาน้ำนะี่เอามาปรุงแต่งกันขึ้นสวนผสมเอาหินเอากวดเอาทรายนะดินทรายปูนซีเมนต์เอาหินเอาน้ำนะี่มาผสมปรุงแต่งกันขึ้น ให้ตีความหมายให้ออกว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรุงแต่งกันขึ้นท่านสมมุติชื่อเรียกว่าสังขารอันสังขารมันก็มีสังขารภายนอกนอกตัวเราไปมันปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารสังขารภายนอก สังขานภายในก็คือตัวของเราตัวของเรา เ, เอาอะไรมาปรุงแต่งขึ้นเอาน้ำกับดินดินน้ำลมไฟมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นดินก็ได้มาจากไหนได้มาจากธาตุเดิมของมันธาตุดินนั่น ได้มาจากพ่อธาตุพ่อเนะี่ยน้ำก็ได้มาจากแม่ธาตุแม่เขาเรียกว่าแม่แม่แม่น้ำดินกับน้ำมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นมาอาศัยความร้อนความอบอุ่นในร่างกายของแม่อาศัยลมหายใจของแม่มาหล่อเลี้ยงเอาไว้ นี่นะเราได้มาจากพ่อจากแม่ให้พากันเข้าใจเรื pues ่องสังขารดินน้ำลมไฟอากาศคือช่องว่างอยู่ในตัวเราน่องในหูตาจมูกนี่แหละมันช่องว่างอยู่ในลําไส้อยู่ในช่องอกอยู่ในกระมองมันว่างอยู่ เรียกว่าอากาศมิญญาณนี่ธาตุหกอย่างดินน้ำลมไฟอากาศมิญญาณมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นนี่สังขารเรียกว่าสังขารภายในในตัวเราขององค์ของคนอื่นก็เหมือนกัน นอกจากตัวเราก็เยกวัาสังขารภายนอกที่เรามองเห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ภูเขาเรากาพอ เ, เหมือนกันมันมาปรุงแต่งกันขึ้นหมดเข้าใจที่เนี่ยสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งแยกออกเป็นสังขารภายนอกนอกตัวเราสังขารภายในก็คือในตัวเรา เมื่อมันมาประชุมผสมปุงแต่งกันขึ้นก็มาตั้งชื่อสมมติชื่อขึ้นมาว่าคนว่าสัตว์ว่าเราว่าเขานี่ก็เป็นชื่อสมมติสมมติออกจากก้อนธาตุก้อนธรรมนี่นะก้อนธาตุก้อ น, นก้อนธาตุสีดินน้ำลมไฟนะี่ก้อนธาตุหก ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาประชุมกันมารวมกันเข้าจิงเรียกว่าสังขารสมมุติว่าสังขารสังขารภายนอกสังขารภายในคงเข้าใจสังขารอะไรก็ตามมาผสมปคงแต่งกันขึ้นตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปเรียกว่าสังขาร เมื่อมาปรุงแต่งกันเขาก็เนี่ยมาเรียกว่าก้อนสกลกายรวมกันเข้าก็เรียกว่าก้อนสกุลกายสากลแปลว่าทั่วไปสกลแปลว่าทั่วไปไม่มีเจ้าของนัเนี่ยก้อนเนี่ยคนมาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเป็นเจ้าของว่าคนว่าสัตว์ว่าเล่าว่าเขาว่าตัวว่าตน ก็เลยมาจําเอาสมมติจําเอาสัญญาณสัญญามาจากสัญญลักษณ์ตั้งชื่อขึ้นให้คนก็เลยมาถือเอาตั้งสมมุติขึ้นให้บัญญัติชื่อขึ้นให้บัญญัติสมมุติขึ้นมาก็เลยมาถือเอาสมมติว่าเป็นสัตว์ เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาจริงจริงจังจนี่แหละเราถือมายึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นคนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เลยมาแบกเอาสมมติถือเอาสมมติจริงจงจังจังนี้ใช่ไหมหลังถ um ือเอาสมมติ สมุินี่แหละมันบังมิมุดอยู่สังขารา น, นิ่จารนะ์ น, ม น, มนม่มันไม่เที่ยงแต่ว่าดินน้ำลมไฟอากาศก็เรียกว่าลูปหรือเรียกว่าก่อนสกนกายนะใจ ก็เรียกว่านามวิญญาณคือใจก็เรียกว่านามเนี่ยท่านจึงมาสมมุติออกไปจากนี่หมดสมมุติทั้งหลายในโลกนี้ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันห้าสมมุติภายในสมมติภายนอกกือขันของคนอื่นสมมุติภายในคือตัวเร า, นาเนี่ยคือขันหายนี่แยกออกเป็นกายกับใจ แยกออกเป็นลูกกับนามสมมุติป้ายน่ะทนี้ถ้าไม่มีก้อนอันนี้ก็ไม่มีจะไปสมมุติอะไรสมมุติทั้งหลายก็สมมติออกจากกายกับใจนี่แหละให้พากันเข้าใจโู้สมมุติก็คือเรานี่ยแหละโอ้ถูกสมมุติก็คือเราคนเดียวนี่แหละโู้ไปถือเอาสมมุติก็คือเรานี่แหละนี่ ท่านเรียกว่ามันไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงมองเห็นว่ามันไม่เทีย่ยงไหมมันเทีย่ยงไหมมันไม่เที่ยงกายของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงตั้งแต่ก่อนมันก็ไปเป็นลมเป็นแรงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละ ค่นอยู่ต่อมาก็มาดินน้ำลมไฟมาก่อตัวกันขึ้นมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นดินน้ำลมไฟดินก็ได้มาจากพ่อน้าได้มาจากแม่ลมไฟก็ได้มาจากแม่มาปรุงแต่งกันขึ้นตัววิญญาณลงมาปฏิสนธิ ก็มาเจริญงอกงามขึ้นมาอาศัยอาหารกับแม่อาศัยลมไปอยากแม่มาคอดออกมามเป็นชายหรือหญิงมันก็เป็นเองอย่างนั้นสังขารเขาเตี่ยดำสูงต่ำดำขาวคลอดออกมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น ต่อไปมันก็มาเจริญงอกงามขึ้นจากเด็กเล็กจากทาลุกเด็กเขาเรียกทาลุกเ็จากทาลุกแล้วก็มาเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็มาเป็นเด็กโตจากเด็กโตก็มาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวขึ้นมาวัยกลางคนวัยชรา ห้าสิบปีก็ชรามันเที่ยงไหมล่ะที่นี่สังขารเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงก็คงเป็นอยู่คือเก่าคลอดออกมาใหม่ๆเป็นทาโรบก็เป็นอยู่นั่นอันนี้มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดวันตลอดคืนตั้งแต่ก่อนก็เป็นทาโรบเป็นเด็กเล็กเด็กโต มาเป็นใบรุ่นหนุ่มสาวัยเบยนจะเพดเบนจาเปรว้ยวห้าใบที่ห้ามาแก่มาชราลงมานี่นะเรียกว่าสังขารไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันก็อยู่คือเก่าถ้าดูง่ายๆก็ดูจากสังขารภายนอกก็ดูได้เหมือนกัน ใครเคยไปเก็บเห็ดเ็เห็นนะเห็ดมันก็อาศัยดินกับน้ำเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยลมอาศัยไฟอาศัยความอบอุ่นอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้เห็ดจึงเกิดขึ้นมานะ นั่นะายนอกเ น, นะเกิดขึ้นมาไม่สักกี่วันมันก็แก่มันก็แก่ ก, แ ก, ก็เท่าก็เน่าผุพังลงไปใครเคยไปเก็บเห็ดจะเห็นเห็ดเห็ดแก่เห็ดเท่ามันเน่ามันผุลงไปที่มันมองเห็นง่ายๆ ย, ยกตัวอย่างให้ฟังลร เกิดมาไม่ได้สักวันสองวันมันก็แก่เท่าผุพังลงมามันไม่มีชีวิตมันก่อนจะเลื่นงอกงามขึ้นไปได้ดินน้ำลงไฟมาพูงแต่งกันขึ้นเท่าแก่ผุพันค้งลงไปก็เสื่อมสลายลงไปเน่าลงไปเป็นดินคือเก่า บางทีคนก็ไปเก็บมาเก็บมากินมาหนึ่งมาแจงกินแล้วก็ถ่ายออกไปเป็นดินคือเก่าไปสู่ธาตุเดิมมันเป็นอย่างนี้สังขารสิ่งอะไรก็ตามสังขารเป็นไก่เป็นนกเป็นปูเป็นปลาเป็นหมูเป็นหนนมาก็ ไม่เที่ยงเหมือนกันตั้งแต่ก่อนมันออกมามันเกิดมาใหม่ๆก็ตัวเล็กๆลูกหมูลูกหมาต่อมามันก็จเจริญงอกงามมันมันก็เอากินอาหารนั่นละ่ะกินดินกินน้ำเข้าไปบำรุง ม, มันก็จเจริญเติบโตขึ้นมา เหมือนกับกายของเรานะเลยเติบโตขึ้นมาในถ้ำกลางต่อไปมันก็แก่เท่าตายลงไปหมดอายุไขนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงข้อใหญ่ไม้สังขารทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงอยากให้ท่านรู้ว่าสังขารทั้งหลายนี้ มีสังขารภายนอกกับสังขารภายในเท่านั้นที่ที่พูดอยู่เรื่องนี้สังขารภายนอกก็คือนอกตัวของเราสังขารภายในก็คือตัวของเรามันผสมพูงแต่งกันขึ้นมันไม่เทียมเกิดขึ้นในเบื้องต้นจเจริญงอกงามในทรามกลางเสื่อมสลายมาลายซูล ไปในที่สุดต่อไปก็ไปเขาหมอกไปเขาธาตุเดิมเสื่อมสลายลงไปเป็นธาตุเดิมส่วนที่ค้นแข็งอยู่ในกายเราเนีเขาเอาไปเผามันก็เสื่อมสลายลงไปเป็นดินเท่านั้นแม่ไม่เอาไปเผามันก็เน่าเปื่อยเสื่อมสลายลงไปเป็นดินเท่านั้นอืม น้ำที่เป็นน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเหลืองอูปโพโลโหิตอยู่ในตัวของเรานี่ก็เสื่อมสลายไปสู่ธาตุเดิมเข้าไปเผาไฟมันก็ละเหยไปในอากาศบางทีมันไม่ละเหยไปในอากาศน้ำเหลืองน้ำหนองมันแตกออกเวลามันเป็นศพไหลออกไปมันก็ซึมซาบลงไปในดิน ก็เสื่อมสลายไปหาธาตุเดิมของมันคือเก่าเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เจตายนั่นให้เข้าใจสังขารทั้งหลายทาั้งปวงสังขารของคนอื่นก็เหมือนกันสังขารภายนอกท่านจึงว่าสัพเพสัพพะ แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสังขลาอนิจจานสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเข้าใจน้อยสังขารทีนี้ขันห้าก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่กายกับใจกายกับใจก็มาสมมุติตั้งชื่อว่าขันห้าขันห้ามันไม่เที่ยง ขั้นห้าก็ามาลูกหนึ่งนามสีนี่แหละลูกก็คือกายของเรานี่ยนะนามก็มีแต่ชื่อไม่มีตั ว, ไ ม, มตวไม่มีตนนามสีคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นกิริยาอาการของใจมันเกิดจากใจ น, ะนามสีมีแต่ชื่อไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนนามนามแปลว่าชื่อนามสีก็เรียกว่าขันห้าพวกนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านะั้นกายของเราก็เหมือนกันสังขารกายสังขารจิตก็เหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยง ต่อไปก็สัพเพทะธ ม, มาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนธรร ม, มะมันกว้างนะธรร ม, มะสิ่งทั้งหลายธรรมธรรมะแปลว่าสิ่งธํรมาก็ว่าธรรมะก็ว่าอันเดียวกันแปลว่าสิ่งสิ่งใดก็ตาม ในโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาตีความหมายให้มันออกคำว่าธรรมมาธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาก่อนธรรมชาติก่อนธรรมดาธรรมะมันกว้างมากสิ่งธรรม สิ่งที่เป็นสังขารก็เรียกว่าธรรมชาติเหมือนกันนะสิ่งที่สังขารปรุงแต่งดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นทำฝ่ายสังขารจักว่าทำฝ่ายสังขารทำฝ่ายที่มีส่วนผสมปรุงแต่งกันท่านก็เรียกว่าทำฝ่ายสังขาร ก็ไม่ใช่ตัวตนทำอันหนึ่งก็ทำไปวิสังขารจางังไรวาวิสังขารวิแปลว่าไม่สังขารไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งอะไรเป็นวิสังขารเคยเห็นไหมนั่งอยู่เนี่ยเคยเห็นวิสังขารไห วิสังขารแปลว่าสังขารแปลว่าปรุงแต่งวงิแปลว่าไม่ไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งทำฝ่ายสังขารก็เป็นอนัตตาทำฝ่ายวิสังขารก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครวิสังขารก็คือใจ คือพุทธโธอา่าบอกว่าเข้าใจง่ายๆคือพุทธโธนี่ยวิญญาณธาตไม่มีอะไรผสมปูงแต่งเรานั่งสมาธิลงไปจะเห็นพุทธโธธรรมโมสังโฆเป็นธรรมชาติอยู่นั่นแหละธรรมมานี่คือธรรมชาติธรรมชาติ ไม่มีอะไรผสมปลุกแต่งท่านจึงเรียกชื่อว่าวิสังขารสังขารก็คือความนึกคิดปรุงแต่งถ้าจะพูดละเอียดลงไปอกีกสังขารกิจกิจแตสังขารเคยได้ยินมาล้วไกิจแตสังขารสังขารกิจสังขารกิเคือกิที่ ม, มีอารมณ์อารมณ์ ไหลเข้าไปทางตาหูจมูกดิ้นกายใจไปผสมไปกระทบกับใจไปปูงแต่งใจเมทนาสัญญาสังขาร น, นี่เมทนาสัญญานี่แหละที่ไหลเข้าไปทางตาหูจมูกดิ้นกายใจไปผสมใจ ไปปรุงแต่งใจขึ้นท่านจึงเรียกว่าเจตสิตทธรรทที่เข้าไปประกอบจิตใหม่จิตจึงเลยเรียกว่าสังขารจิตอารมณ์สัญญาที่เกิดจากตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนี่แหละโภทภาพานมันไปผสมใจ ใจเป็นวิสังขารว่างเป็นธรรมชาติอยู่ท่านเรียกว่าทิฏฐิกิตสว่างว่างสว่างผองใสไม่มีอารมณ์รผสมไม่มีโลกผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตใจก็ว่าเป็นพุทโธอยู่เหมือนกับเรานั่งสมาธิอยู่จิตสงบลงหนึ่งทางว่าจิตสงบก็สงบจาก อารมณ์ในสามการอารมณ์ในอดีตอ น, นาคตปัจจุบันจิตก็ว่าจิตตัวนี้แหละเรียกว่าวิสังขารหรือเรียกว่าพุทโธเขาใจไหมวิสังขารทีนี่ไม่มีอารมณ์ไปประพูงแต่งไม่มีอะไรไปผสมจิตท่านจึงเรียกว่าวิสังขาร พุทโธเนี่จะเรียกว่าวิสังขารก็ได้จะเรียกว่าทีติกิจก็ได้จะเรียกว่ากิจแท่จะเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมโมอยู่เป็นธรรมชาติพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยนะเรียกว่าวิสังขารเข้าใจนะที่ไหาคาว่าวิสังขารหนึ่งไม่มีอะไรไปปรุงแต่งว่างเป็นธรรมชาติเอ สว่างฟองใสอยู่ผู้ได้สมาธิแล้วจะฟังออกง่าคำว่าวิสังขารนะวิสังขารว่างเป็นธรรมชาติครอบจั ก, กรวาลอยู่ไม่มีอารมณ์เข้าไปผสมปรุงแต่งจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ ที่อารมณ์ไปผสมปรุงแต่งจิตนี่ก็คือท่านก็ไม่เรียกใส่กันแล้วใชจิตของเราที่มีอารมณ์ไปผสมปรุงแต่งอยู่ท่านก็เรียกว่าทีติผู้ดังผู้ดังนคือกิเลสกิเลสก็กนีมันไหลเข้าไปทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจไปผสมจิตของเราจิตจึงเรียกว่าสังขารจิตเข้าใจไหมสังขารจิต ท่านเรียกว่าย่อๆก็ลงมาคืออารมณ์อารมณ์ก็คือเวทนานี่แหละสัญญาก็คือสัสญญาขันนสัญญาก็คือสมมติต่างๆที่ตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงนี่แล้วมันก็เอาอารมณ์พวกนีนะ้ไปผสมจิตผสมใจใจจึง เปลี่ยนชื่อใหม่ ว, วิสังขารโอว่าสังขารแต่ก่อนมันเป็นวิสังขารไม่มีอารมณ์ว่างวิสังขารหรือตัวระวังให้จิตก็อันเดียวกันจิตมันนอนอยู่มันเข้าระวังอยู่เมื่อตาเห็นดูกมูกได้ยินเสียงอายัดหน้าายนอกายในกระทบกันนั่นแหละวิญญาณเกิดขึ้นมันก็ส่งไป กระทบใจใจจึงเป็นสังขารขึ้นมาเข้าใจพอเข้าใจไม่วิสังขารสังขารแต่ก่อนมันไม่มีอารมณ์ไปผสมปรุงแต่งมันก็เรียกว่าวิสังขารเรียกว่าพุโทโธเรียกว่ากิจแท้ใจเดิมว่างอยู่สัพเพ ธ, ธรรมมาอนัตตาเป็นธรรมชาติอยู่ ไม่มีตัวไม่มีตนว่างจากสัตว์ผุคคลตัวตนเราเขาสัพเพทำมาอนัตตาไม่มีเจ้าของอมเมื่ออารมณ์ไหลเข้าไปทางอายตนะที่ตอบอเกิดแห่งอารมณ์ที่ตอบอเกิดแห่งกิเลส กิเลสพวกนี้แหละเข้าไหลเข้าไปผสมจิตเหมือนเขาเอาน้ำไปผสมกับเอาน้าตาลไปผสมกับน้ำจิต ก, ก็เลยกลายเป็นวิสังขารเป็นกลายเป็นสังขารขึ้นมาแต่ก่อนเรียกว่าวิสังขารเข้าใจนะทีนี้ทำฝ่ายสังขารก็มี ทำที่ผสมปรุงแต่งท่านเรียกว่ากิจสังขารกิจต่สังขารตายสังขารทำฝ่ายสังขารปรุงแต่งสัพเพธรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทำฝ่ายสังขารปรุงแต่งกันขึ้นสิ่งใดก็ตามที่มันปรุงแต่งกันขึ้นท่านก็เรียกว่าทำฝ่ายสังขาร ทำฝ่ายวิสังขารคือจิตแท้ใจเดิมประพัดซนผ่องไสสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นเมื่ออารมณ์ไหลเข้าไปอพอสว่างผ่องไสอยู่นั้นท่านก็เรียกว่าวิสังขารทำฝ่ายสังขารเข้าใยกแล้วนะทำฝ่ายวิสังขารคือจิตแท้ใจเดิม เป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของที่นี่ใจมันสว่างสวัยผ่องใสเรียกว่าวิสังขารไม่มีอะไรไปผสมุงแต่งเวลาอายตนะภายนอกภายในกระทบกันเขาเรียกว่าโลกผสมธรรมนี่ยโลกผสมธรรม ธรรมคือธรรมชาติคือคิดแท้ใจเดิมเมื่อ อ, ยอายตนะภายนนกไปภายนกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นมันก็ส่งไปบอกใจใจก็เกิือกายเป็นจิตตสังขารทันทีอะไนี่จิตตสังขารกลายเป็นสังขารไปปรุงแต่งจิตท่านก็เรียกว่า จิตแต่สังขารอารมณ์สัญญาเนี่เข้าไปประกอบจิตใหม่นั่นแหละท่านก็เรื่อยๆจิตแต่สังขารเข้าใจไหมล่ะที่เนี้ยอยากให้เข้าใจนี่นะพูดซ้ำๆกันอยู่นี่เลยกลายเป็นถ้ามันไม่มีผสมปรุงแต่งจิตว่างเป็นพุโทโธอยู่ท่านก็เรียกว่าวิสังขาร เป็นธรรมชาติผู้ใดเข้าสมาธิไปเห็นพุโทโธธรทมโมสังโฆแล้วอ๋อนี่นั่นท่านว่าท่านเรียกว่าวิสังขารอารมณ์ไม่มาปรุงแต่งใจอารมณ์ในอดีตอนาคตปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันก็เกิดจากทางตาหูจากมุกลิ้นกายใจนยไม่ไปผสมจิตได้จิตจึงว่างเป็นธรรมชาติ วีสังขาร น, นี่แหละคือพระนิพพานจิตมันว่างบริสุทธิ์ปรองอยู่มีแต่รู้รู้รู้อยู่เฉยเข้าใจนะเท่เนี่สังขารวิสังขารฝ่ายสังขารก็ไม่มีตัวตนดินน้ำลมไฟมันก็ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวไม่มีตนมาปรูงแต่มกันขึ้นแม้แต่จิตของเรา อารมณ์เข้าไปผสมกิจไปปรุงแต่งกิจขึ้นเวทนาสัญญาก็เรียกว่ากิจแต่สังขารก็ไม่ใช่ตัวตนัพเพธธรรมาอณัตาติที่เราสวดวทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนทมก็มีทมฝ่ายสังขารทำแปลว่าสิ่ง สิ่งใดเขาตามถ้าผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าทาฝ่ายสังขารสิ่งใดเขาตามถ้าไม่มีอะไรมาปรุงแต่งกันขึ้นเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่ก็เรียกว่าวิสังขารคือใจบาสนี้เขาใจเราโนบานี้วิสังขาร <c ười> คิดแท่ใจเดิมของเราเนะ่เรียกว่าวิสังขาร อยากพูดเน้นให้เข้าใจเวลาเราไปเดินปัญญาเราจะคิดออกโยจะเห็นว่าท่านว่าวิสังขารคือทำทั้งหลายทั้งปวงอ น, นัตตานิความฝ่ายสังขารก็เป็นอนัตตาทำฝ่ายวิสังขารก็เป็นอนัตตา อ, อนี่แหละเวลาขั้นห้ามันเกิดดับเราถึงจะ เข้าใจมันต้องรู้กว้างครอบจั ก, กรวาลหมดนะเรียนจบขั้นหันเวลาอารมณ์ไปผสมปรุงแต่งจิตใหม่อารมณ์มันไหลเข้าไปทางตา ห, จหูจมูกยิ้นกายใจเข้าไปผสมปรุงแต่งจิตใหม่จิตก็ตั้งชื่อว่าสังขารจิตเข้าใจเนาะภายในสังขาร ขึ้ไปผสมปุงแต้งกันขึ้นเกิดความโลภความโกรธขึ้นมานี่เกิดกำหนัดเกิดขัดเคืองขึ้นมาเนี่กำหนัดก็ยินดีขัดเคืองก็ยินร้ายเกิดรักเกิดชังขึ้นมานี่นะจิตแท้ใจเดิมมันรักมันชังไม่เปลียนหรอกพออารมณ์เข้าไปประกอบจิตจิต ก, ก็วิ่งตามโลกวิ่งตามอารมณ์จิตไม่รู้เท่า จิตโง่จิตหลงจิตอวิชชาจึงไปรับเอารมณ์เข้าไปมันเข้าไปผสมธรรมอารมณ์ผสมจิตจิตก็เลยกลายเป็นโลกกลายเป็นอารมณ์ถ้ามีสติสัมปชัญญะดูตัวอยู่รู้ว่จิตรูกก้ว่าจิตว่าใจ สัสตว์แต่ว่าใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอารมณ์เข้าไปกระทบก็เหมือนเขาโยนก้อนหินโยนไม้ลงไปใส่น้ําน้ํามันนิ่งใจมันนิ่งเป็นวิสังวิสังขารอย่างนี้มันว่างเป็นผวังพระจิตเป็นวิสังขารอย่างนี้ เมื่ออารมณ์ไปกระทบก็เหมือนเขาโยนก้อนดินก้อนหินก้อนกวดโยนไม้ลงไปในน้ำน้ำปกติมันจะนิ่งใสอยู่เวลาอารมณ์ไหลเข้าไปทวันในทวันหนึ่งก็เหมือนเขาโยนอะไรลงไปใส่น้าน้ำก็เลยกระเพื่อใจของเราก็เลยเกิดเพื่อออกรับอารมณ์ ถ้าเราหลงอยู่ก็เรียกว่าอาวิชชาตามนอนถ้าเรารู้อยู่ใจนี่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาซ้มเปิชัญญยะรู้ตัวอยู่รู้ว่าเราไม่มีอันนี้มันมันเป็นขิดมันทำงานน้ำมันก็เพิ่มให้เสแใจมันทำงานใจมันนึกคิดปรุงแต่งไปก็เรียกว่ากิริยาอาการของใจ กิริยาอาการของน้ํามันถูกอารมณ์ไปน้ําก็คือน้ําใจนี่แหละอารมณ์ไปกระทบมันก็เลยกระเพื่อมถ้าผู้มีสติปัญญาก็รู้ว่าอาที่มันมากระเพื่อม น, นี่คืออารมณ์ภายนอกมาประกอบจิดใหม่เฉยๆมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับนี่แหละเขาอยากให้เห็นเกิดเห็นดับที่พูดไปเดิม มันก็เพื่อมลงแล้วมันหยุดกับเพื่อมแล้วหมดแรงกระเพื่อมแล้วก็ดับกิตทํางานเข้านิดเดียวสิบหกสิบเจ็ดขณะกิตแล้วมันก็ดับลงกิตทํางานก็าเรียกว่าวิถีกิจกิจดับลงก็เรียกววังค่กิจถ้าเป็นกิจแท้ใจเดิมก็เรียกว่าวังค่กิตเข้าใจไหมล่ะท่านอยงนี้นี่เราเลยไปถือเอาแรงกับเพื่อมนี่ยนะ แรงกับเพื่อนอารมณ์เข้าไปกระทบเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันจึงมีอารมณ์จึงไปแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาส ม, มตุติทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมันมีแค่นี้นะถ้าใครมารู้เท่าปฏิบัติจิตรักษากจิตเอาสตินะรักษากจิต อารมณ์อะไรไหลเข้าไปทางทงวารไหมสติเตสังสติปัญญาก็จะตัดออกจิต ก, ก็เป็นวิสังขารอยู่ตลอดวันตัวนี้แหละเรียกว่าพระนิพพานเห็นไหมรู้จักไหมนี่วิสังขารไม่มีอารมณ์ไปปรุงแต่งใจใจก็เป็นวิสังขารเป็นพุทโธอยู่ก็เรียกเป็นธรมโมอยู่ก็เรียกอันเดียวกัน เป็นสังโคอยู่ก็เรียกว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติอยู่นี่แหละไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ช่างบัญญัติขึ้นมาเรียกตั้งชื่อขึ้นมาเรียกเฉย ว่าพระนิพพานก็ยังบัญญัติขึ้นมาเรียกเฉยๆไม่มีที่จะเรียกให้เข้าใจอย่างนี้นะอเข้าใจอย่างนี้ก็จะรู้เท่าสังขารจิตรู้เท่าสังขารสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป สังขารภายนอกสังขารภายในก็อยู่นี่สังขารจิตสังขารกายสังขารจิตกายก็ดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารตัวจิตแต่สังขารก็คืออารมณ์ไปประกอบกิจก็เรียกว่าจิตแต่สังขารสัญญาอารมณ์เข้าไปประกอบกิตเท่านั้นถ้าจิตจะเป็นวิสังขารก็ว่าง ดับสัญญาอารมณ์ลงได้จิตก็เป็นวิสังขารเป็นพุทธโธเป็นธรรมโมอารมณ์เราต้องไปกระทบจิตอยู่เพราะว่าจิตนี่มันมาสร้างทั้งวานันทั้งหกเอาไว้รับโรครับอารมณ์นะสติเตสังอารมณ์พวกนี้เรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผู้ใดมีสติปัญญาก็เอาสติปัญญาตัด โลกตัดอารมณ์ตัดสมมุติออกจากจิตจิตก็เป็นวิสังขารว่างสว่างสวัยครอบจั ก, กรวาลอยู่จิตไม่ได้ทํางานอารมณ์ไม่กระทบจิตจิตก็ว่างอยู่ตลอดวันตลอดคืนเรียกว่าสุขนี่แหละสุขอันบรล ม, มัสุขเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็น ได้ยินก็สัตย์แต่ว่าได้ยินจิตมันไม่มีเจ้าของทราบสัตย์แต่ว่าทรา บ, า บ, าบรู้ว่าคิดเรื่องนั้นว่าคิดเรื่องนี้ก็สัตย์แต่ว่ารู้จิตสติมันก็ตัดออกตัดออกสติปัญญาจะตัดออกหมดไม่กำหนัดขัดแย้งจิตก็ว่า ง, ส ว, างสว่างสวาย ของใสเป็นเอกเทศของเขาอยู่อย่างนั้นนี่แหละเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินทราบสัตว์แต่ว่าทราบรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆทำจิตให้นิ่งเอาสติปัญญามาตัดพวกนี้ออกจิตก็นิ่งบ้านทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นกลางอยู่นี่แหละเรียกว่าพระ น, นิพพาน มันไม่อยู่ไกลโต <c oughs> เอาวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเหลือเวลาเล็กๆนิดน้อยถ้าเกื่อว่ า, ามันเป็นศีลสุดท้ายนะอยากจะทามอะไรก็เลยให้เวลานิดหน่อยอเอาเลยนิ่เชิญ <c oughs> เลยเชิญเลย <c oughs> อ่า อันนี้แหละพระวังขจิตจิต พ, พระพรตจิตทำงานคนที่ฝันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมานิดๆหน่อยๆใช่ไหมถึงจะฝันครึ่งนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นมันถึงจะฝันเข้าใจไหมถ้านอนหลับสนิทไม่ฝันเหมือนเราเข้าสมาธินี่นะ ถ้าเข้าสมาธิลงมถึงอัปปนาสหรือเรียกว่าพระวังพระจิต ก, ก็อันเดียวกันเข้าใจไหมพระวังใหญ่มันจะไม่ฝันถ้าพระวังน้อยเข้าสมาธิไปช่วงหนึ่งมันถอนออกมาจิตยังจรได้อยู่เรียกว่าอุปาจาละจายละแปลว่าจรนจิตยังนึกคิดปรุงแต่งได้อยู่เข้าใจไหมนี่แหละนอนหลับนี่ก็ จิตเข้าพระบังเหมือนกันเข้าสมาธิไปถึงพุทโเนี่ยก็ว่าท่านเรียกว่าพระบังใหญ่เข้าใจไหมที่มันฝันอยู่นี้ก็มันนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นจิตก็เลยทํางานแต่ก่อนคนมาถืออันนี้แหละเอะมีคนมาเล่าให้ร้าผมไม่ค่อยฝันนะ่ะหลวงตาไว้แั่น่ะว่าหนะลวงตาจะไม่รู้เรื่องนะ เดี๋ยนี้ผมไม่ค่อยฝันนะเขาเป็นพะระอรหันต์เขาว่พาพระอรหันต์ไม่ฝันไปอย่างนั้นนะเขาเขียนไว้ยุคไหนก็ไม่รู้หรอกฝันคือเก่าแต่ท่านไม่เรียกว่าฝันท่านเรียกว่าขันห้าทํางานเข้าใจไหมเวลาเรานอนอะสะดุ้งตื่นขึ้นมาหรือนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นมัน ขันห้ามมันก็ทํางานจิตก็จร อ, ออกไปรับอารมณ์ได้เข้าใจไหมเนี่เรียกว่าจาระแปลว่าจรแปลว่าไปจิตยังทํางานอยู่ท่านเรียกว่าขันห้าทํางานท่านไม่เรียกว่าฝันพ่อแม่ครูา่าอาจารย์เรียกว่าขันห้ามันทํางานเข้าเข้าใจไหมล่ะทีนี้พอนอนเพิ่งหลับเพิ่งตื่น อารมณ์ที่เราเก็บสะสมเอาไว้ในใจเราเนี่ยไหลออกมาที่ว่าธรรมอารมณ์นั่นแหะเข้าใจไหมธรรมะบวกอารมณ์อารมณ์เข้าไปผสมจิตอยู่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาพอนอนสะดุ้งตื่นขึ้นนิดหน่อยอารมณ์พวกนี้จะไหลออกมาจากจิตเหมือนกับน้ําไหลออกจากบ่อมันเตรียมพร้อมจะไหลออกแล้วเราก็เลยมันไหลออกมานะ แล้วก็เลยมาใช้เป็นภาพองมาใส่มโนภาพมโ น, มโนวิญญาณก็รู้ขึ้นว่าเราฝันเห็นอันนั้นอันนี้ก็เรียกชื่อใหม่ว่าฝันถ้านั่งอยู่เฉยๆนี่คิดไปก็ภาพมาเกิดที่จิตอีกก็ล่ามาะชิดเข้าใจไหมถ้านอนหลับก็เรียกว่าฝันถ้านั่งสมาธิก็เรียกว่านิมิตเรียกต่างกันเฉยๆ พระอรหันต์ก็ฝันเหมือนกันจิตท่านก็มีใจท่านก็มีคือเกา่าเอาอะเข้าใจไหมล่ะที่เนียเอามีอะไรอีกฮะได้าาาาเรื่องไห น, นก็ได้หม ด, อ, ม อ, ดอืม อมอคืออจจะเป็นคนยนี่คะแต่ว่าในันจิตเ้าไปอยู่อพไม่ใช่คือพบนี่บางทีมันเกิดไปเป็นหมานั่นน่ะพบเป็นหมาเข้าใจไหมพบเป็นสัตว์เดรัจฉานพบหมาก็พบพบมแมลงแมลงพบเป็นยุง ตาุ่งรู้ด้ตายไปเป็นยุ่งยุ่งนี่เขาเรียกว่าพบน้อยเข้าใจไหมอายุไม่กี่วันเข้าใจไหมพบน้อยพบใหญ่เกิดเป็นสัตว์ในพบเล็กๆพบที่เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นพบกลางๆเข้าใจไหมพบต่ํากว่ามนุษย์เป็นเป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ที่ไราสาระนะพบอย่างนั้น พบน้อยพบใหญ่อันนั่นพบสามพบสามแดนโลกกับท่าอันนี้พบของขันห้าอ่ายังยังพบใหญ่ๆนี่นะขันห้าทิตั้งโดยเนี่ยเวลาเขาเปิดเพลงเปิดเพลงขึ้นไปเปิดเพลงหมอลําหรือเพลงนี่มันยาวใช่ไห ม, นะมหนึ่งนะ <c oughs> กว่าจะจบ จิตนี่มันเกิดพบแล้วพบเราอยู่ได้ยินเสียงอันเก่านี่แหละเข้าใจไหมนี่มันมันมันมันแยกมาพบปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั้นพบนั้นถ้าเพลงมันยา ว, ยาวจิตมันเข้าผวังนั้นรับไปจิตตัวนี้ดับเข้าผ้าวังผ้าวังก็แปลว่าจิตออกมารับอารมณ์ทั้งหนึ่งก็เรียกผวังนะถ้าจะแปลนี่และเอยียดลงไป จิตจะอารมณ์นี้ดับจิตลวงใหม่ขึ้นมารับอารมณ์ก็เรียกว่าภาวะเรียกว่าภาวะเรียกว่าพบจิตมันมีช่วงอยู่สิบห้าสิบหกขณะจิตมันก็ดับตายลงไปพบเนี่ยพบใหม่ก็คือออกมารับอารมณ์แต่อารมณ์เก่าเรื่องเพลงเพลงอันเก่าเข้าใจไหมมันก็เลยเป็นพบใหญ่พบยาวอย่างนี้ พบน้อยก็ยจิตเกิดอารมณ์นิดเดียวก็ดับที่นี่จิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อๆกันยาวๆเรื่องเก่าเรียกว่าพบเก่าพบใหม่พบเก่าพบน้อยพบใหญ่พอเข้าใจบ้างไหมแต่ก่อนน้องใจเพลงเขาลองหมันลำเขาเปิดขึ้นมามันไม่ดับแต่ว่าจิตจิตมันดับแล้วเราตามไม่ทัน จิตดวงนี้ดับจิตดวงใหม่เกิดมารับอารมณ์อีกก็เรียกวพระวะแล้วก็ดับลงเป็นพระวังออกมารับอารมณ์ใหม่ต่อไปกว่าเพลงจะจบจิตมันเกิดมันตายหลายพบแล้วเข้าใจไหมทีนี้นี่แหละถ้าเราดับพบปัจจุบันนี้ได้มีพบเปรียบเสมือนขี้แม่ติตน้อยนิดก็เหม็น ขี่ให้ติดมือแค่ว่ามือเจ้าขี่ยังเพื่อกันนิดหน่อยก็เหม็นอืท่านจึงให้เปียดพบถึงขนาดเหมือนกับเราเปียดขี้นั่นแหละนี่พบปัจจุบันถ้าเาราดับพบปัจจุบันได้พบหน้าจะมีอีกไหมหล่ังพบหน้าก็ไม่มีอีกพบไหนๆก็ไม่มี ดับภพได้ชาติความเกิดก็ไม่มีเขาใหญ่ไหมไ่้นว่าไปเกิดเป็นภพนั้นชาตินี้อีกต่อไปถ้าดับภพปัจจุบันนี้คือภพของขันหาเกิดดับนี่ต้องดับได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายเขาใหไหมเอนี่เราก็เข้าพระนิพพานได้ถ้าดับภพได้ถ้าดับภพไม่ได้ก็ไม่มีหวังแหลก็ยังไปเกิดอยู่ในภพนั้นภพนี้อีกภพเป็นหมาบ้างภพเป็นสัตว์เดรัจฉาน พบเป็นเปรตพบเป็นเทวดาเข้าใจนะที่เนี่ยพบนะดับพบปัจจุบันได้ปัจจุบันนั้นพบท่านจึงสั่งว่าหลวงปู่คำดีเขียนบอกหลวงปู่สีทนเอาให้เห็นปัจจุบันนั้นทอยู่ก็พอแล้วท่านสีทนนะท่านทำไมว่าอย่างนั้นพอแล้วนะ่ย ปัจจุบันนะระมก็หมายท่านทมาเอะไรล่ะคือลูกกับนามทำทั้งหลายคือกายกับใจกายกับใจมันเกิดดับอยู่มีภพหนึ่งเนี่ยภพหนึ่งกายกับใจอิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับเ น, นี่เห็นปัจจุบันนะระทเห็นทำมันเกิดดับเห็นลูกกับนามมันเกิดดั บ, บ, ม, ดดบมันเกิดข้างหนึ่งก็เรียกว่าภพหนึ่ง เรารู้แล้วว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลลูกกำนาำเนี่ยคือขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลเราจึงไม่มาอุปทานเอาขันห้าสิ่งใดเกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกขนะ์ถ้าปล่อยพบไว้กับความเกิดดับเข้าใจไหมทีนี้ความเกิดดับก็คือมันไม่เที่ยงเนะ่ยมันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงเลยปล่อยไว้กับไตรักยานเลยเข้าใจไหม แล้วก็ไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับคือวิสังขารเหรอใจวะนี่หนละวิสังขารว่างอยู่อย่งนั้นผู้เกิดผู้ดับจะไปอยู่กับมันมันไม่เที่ยงนะจะไปถือเอาไปยึดเอามาเอาคู้ไม่เกิดไม่ดับคือจิตแท้ใจเดิมของเราคือพุทโธคือวิสังขารเข้าใจนะทีเนี้ยนะเอาใครมีอะไรก็ถามมา เอาความคิดมันเกิดขึ้นก็ดับไปแล้วคิดก็สัตแต่ว่าคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ยความคิดเรื่องนี้มันต้องดับคิดไปหาหลานก็หมดเรื่องหลานแป๊บเดียวมันก็ดับคิดไปถึงบ้านหน้าบ้านก็มาเกิดลูกบ้านก็มาเกิดในใจของเราแป๊บเดียวก็ดับนี่แหละเห็นเกิดดับไหมล่ะแต่มันไม่ดับมันมัน รูปะรูปะลมอารมณ์ไปค้างอยู่ในใจเราถ้าคนภาวนาเป็นแล้วมันก็ดับเป็นถ้าคนภาวนามันก็ตัดโูกตัดอารมณ์ตั ด, มตดสมมุติไม่ได้สติปัญญาไม่มีพอที่จะดับโลกดับอารมณ์ดั บ, มดบสมมุติได้โลกอารมณ์สมมติก็ไปค้างอยู่ในใจก็เรียกว่าธรรมอารมณ์เขาใหญ่ไม่เท่าไหรนะนี่แหละธรรมะบวกอารมณ์นั่นนะใจเคลือ อารมณ์ไปค้างอยู่ในใจเรานะเรียกว่าธรรมอารมณ์ตรงคําถามมละ่ะนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับผู้ใดเห็นเกิดเห็นดับก็พอพวกพวกพวกไปฟังเทศหลวงพ่อปาโมดมาก็มาไหลล้มตายอยู่นี่นะคิดว่าล้มตายจะรูไ้ไหมท่านโอ้ยพะระอรหันสยกมืออยากให้ท่านถามนะอยากให้ท่านถามอยากให้ท่านตอบนละนะ เห็นเกิดดับนั่นะไม่ให้เห็นง่ายๆเราเกิดดับ่ะไม่สังเกตจริงๆเสียงเพลงยาวๆจิตมันเกิดดับกี่รอบแล้วคันหามันทำงานได้ได้ยืนเดินนั่งนอนถ้าอารมณ์ไหลเข้าไปทางอายตนนะมันก็เกิด กิจเกิดกับเพื่อมออกรับอารมณ์แล้วก็ดับลงดับลงมาเป็นกิจคือเก่าตอนมันก็บเพื่อมออกรับอารมณ์นี่ก็เรียกว่าสังขารกิจนะมันก็บเพื่อมออกรับอารมณ์เมื่อมันหยุดอารมณ์นี่หยุดกิจตกผวาลงมาก็เรียกว่าวิสังขารหรือผวังข้ากิจเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้นะ่ะผู้เกิดผู้ดับมันไม่เทียนท่านให้เอาใจลังยานขับไล่ออก ใจรักยา น, น, นคือมันไม่เที่ยงสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยงสิ่งได้ไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ของของเรามันเป็นอนัตตาเข้าใจไหมละ่ะทีนี้ยอ้าวใครอยากจะถามอีกอืเอาดีแล้วละ่ะได้ถามาบางองค์บางท่านจะอจจะัตตา ได้ยินได้ฟังก็อาจจะเข้าใจไปเพิ่มเติมไปด้วยต้องภาวนาเลี่ยงภาวนาเข้ากลับไปบ้านก็ต้องไปทำเอาให้เห็นเกิดเห็นดับนีนะ่พบปัจจุบันนพบนะปัจจุบันนะชาติดับพบปัจจุบันได้พบหน้าก็ไม่มีพบไหนๆก็ไม่มีดับโลกปัจจุบันได้โลกหน้าก็ไม่มีโลกไหนก็ไม่มีโลกในอดีตโลกในอนาคตก็ไม่มี ก็เรียกว่าไม่มีกิจก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่มีจุดติในพบนั้นพบนี่อีกอก็เรียกว่าวิสังขารเรียกว่าพระนิพานเอาเ้าใจแล้วนะทีนี้น ะ, อะเอาละ่ะได้เวลาแล้วพาเลย